อีกนัยหนึ่งเนี่ยนะฮริโอตปะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นโลกบาลธรรมโลกบาลแปลว่าธรรมที่ปกป้องคุ้มครองโลกเนี่ยนะคุ้มครองรักษาสัตว์โลกเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสุกธรรมทั้งสองเหล่านี้คืคอฮริโอตปะเนี่ยนะสุกธรรมทั้งสองคว่าธรรมขาวทั้งสองอย่างนี้คุ้มครองโลกสองอย่างเป็นไงฮิริและโอตปะชื่อว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลก พียสทั้งหลายถ้าสุกธรรมทำขาวสองอย่างเหล่านี้ไม่พึงคุ้มครองลกูกหรือในโลกนี้ถ้าไม่มีฮิริโอตปะสายโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นป้านะ้าอาภรยาของอาจารย์หรือว่าภรรยาของครูเนี่ยนะก็จะไม่มีไม่มีการเคารพอะไรกันทั้งนั้นแหละสัตว์ทั้งหลายก็จะเจือปนคลุกคลีกันเหมือนชีวิตของแพทั้งหลายแพนี่นะเลือกการสมสู่ไหม แกะทั้งหลายเลือกการสมสู่เป็นต้นไม้ไก่ทั้งหลายนี่เป็นยังไงสุกรทั้งหลายเป็นยังไงสุนักบ้านสุนักจิ้งจอกทั้งหลายเป็นอย่างไรชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นก็ไม่ต่างอะไรจากแพะแกะไก่สุกรสุนักจิ้งจอกแต่เนื่องจากมีสุขธรรมคือฮิริโอกับโอตปะมีโลกปาละธรรมนี่แหละ ทำให้โลกยังมีการเคารพยำเกรงกันอยู่บ้างถ้าไม่มีฮิริโอตตปะีาจะเคารพไหมวันนี้เป็นพ่อนี่เป็นแม่นี่เป็นครูนี้เป็นอาจารย์นี้ลูกเป็นลุงเป็นปะเป็นหน้าเป็นอาเป็นพี่เป็นน้องนะนี่เป็นญาตินี้เป็นลูกเราเป็นหลานเราเป็นต้นเนี่ยนะจะมีความเคารพยำเกรงเหล่านี้ต่อไหมก็เนื่องจากมีฮิริโอตะปานี่แหละจึงทำให้เกิดความเคารพยำเกรงกันแต่ถ้าเมื่อใดเนี่ยนะ ไม่มีหิริไม่มีโอต ป, ปะโลกนี้ก็ปานะเป็นมิขสันยีเลย น, นะมิขสันยีแปลว่าฆ่ากันได้ก็ฆ่าเลยเนี่ยนะโกงกันได้ก็โกงเลยเนี่ยนะใครว่าอย่างเคยเห็นในชุมชนสัตว์เดรชาดไหมสัตว์เดรชาดเนี่ยไปหาของมาได้ น, นะขโมยสมมติว่าเดรชานตัวหนึ่งไปขโมยของอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็มาขมายเอาไปใครียว่าขโมยต่อขโมยขโมยต่อขโมยไม่มีใครเป็นของใครเพราะะฉนั้นก็จะ ไม่มีอะไรเป็นของใครเลยเนี่ยนะมันในหมู่เดราชานก็แก่งแย่งชิงดีกันอย่างนั้นมันเดราชานทั้งหลายพร้อมที่จะปานาติบาตต่อกันพร้อมที่จะเข็นฆ่ากันพร้อมที่จะลักขโมยของวัตถุของกันและกันพร้อมที่จะทะเลาะกันพร้อมที่จะล่วงกามีสุมิจฉาจารพร้อมที่จะพูดเท็จพูดคํำยาพูดนะอย่างเช่นก็บอกว่าเออได้ยิกคาดีนมาเห่าไหมมาเห่าก็คือเพอร์เจอร์ดีๆนี่แหละถ้ามันเห่าด้วยความโกรธนั่นแหละคือ พฤสวาจาเนี่ยนะเห่าด้วยดุดุดันโทสะรุนแรงนั่นแหละเรียกว่าพฤสวาจาถ้ามันเห่าไปเลยอูบไปเรื่อยๆเนี่ยนะไอ้พวกนี้เลาเรียกว่าเพอเจอร์เนี่ยนะมันหมามันก็เพอเจอเหมือนกันหมามันก็พฤสวาจาเหมือนกันนั่นแหละมันก็ก็สะสมมานะว่ามันเคยเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะก็เวียนวนกันไปเวียนกันมาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะเกลือนกลื่วก เปืดเจือปนอยู่ด้วยบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายแต่เนื่องจากมีฮิริมีโอตปะนี่แหละมนุษย์ทั้งหลายจึงไม่เป็นเช่นกับหมูหมูสัตว์ในอาบายเพราะเดราชาทั้งหลายถ้าเขาไม่มีเอ่อที่เขาเกิดเป็นเดราชานเนี่ยนะก็เพราะเขาไม่มีหิริโอตปะความที่เขาไม่มีฮิริโอตปะนั่นแหละเขาจึงได้เกิดเป็นเดราชานเนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะ นัยะอื่นต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสริโอตปะว่าเป็นเทวธรรม น, นะเป็นเทวธรรมเทวธรรมและ ว, วธรรมคุ้มครองโลกเลยนะเทวธรรมอย่างที่พระองค์ตรัสในชาดกว่าฮีริโอตปะสัมปันนาสุ ก, กะธรรมะสมาหิตาสันโตส ป, ปุริซาโลเกเทวธรรมมาติวัจเร สัตบุรษุษทั้งหลายผู้สงบแล้วในโลกผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตะปะประกอบด้วยสุขธรรมท่านกล่าวว่าเป็นผู้ที่มีเทวธรรมคนที่มีเทวธรรมก็คือคนที่ถึงพร้อมด้วยหิริโอตตะปะผู้ใดปฏิบัติตนอยู่ในหิริโอตตะปะผู้นั้นเรียกว่ามีเทวธรรมปกตินี้กุศลกรรมบดทั้งหลายจะเรียกว่าเป็นมนุษยธรรมหิริโอตตะปะนี้เป็นเทวธรรมนะ คิดว่าตัวเองจะเป็นเทวดาได้ไหมก็ดูจากตรงนี้เนี่ยนะมีคุณสมบัติของความเป็นเทวดาบ้างไหมเ้าบอกว่าผู้ที่เจริญแล้วเนี่ยนะผู้สังคมที่เจริญแล้วคือสังคมที่มีหีริแลอตตะ ป, ปะอย่างที่เขาเขาเป็นคาที่ยกย่องอะนะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีทั้งหลาย ก็คือเขามีหิริโอตตะ ป, ปะคนดีทั้งหลายคนที่มีการศึกษาทั้งหลายเขามีหิริโอตตะ ป, ปะมีสามัญยสํานึกที่สูงส่งเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ที่ดีผู้ที่เรียกว่าชาติตระกูลดีอะไรดีที่เขายกย่องก็คือชมุมชนที่บริบูรณ์ไปด้วยหิริและโอตตะ ป, ปะเนี่ยนะมีการศึกษาเพรันผู้ที่บริบูรณ์ด้วยหิริโอตตะ ป, ปะนั่นแหละเรียกว่ามีเทวธรรมเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้ทําชั่วด้วยกายวาจาและ ใจได้เนี่ยนะก็รักษาความชอบธรรมถูกต้องต่อไปส่วนในที่อื่นเนี่ยนะเรียกว่าสัลเลขธรรมในสัลเลขสูตรฮิริโอต ป, ปะพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นสัลเลขธรรมอย่างที่ว่าชนเหล่าอื่นจักไม่มีฮิริเธอทั้งหลายจักมีฮิริเนี่ยนะนั่นแหละแสดงว่าฮิริโอต ป, ปะเป็น สันเลกธรรมเป็นคุณธรรมเครื่องขัดเกลวความเศร้าหมองเป็นคุณธรรมเครื่องขัดเกลวราคะโทสะและโมหะฮิริโอตปะเป็นคุณธรรมเครื่องขัดเกลวบาปอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นชนเราอื่นเขาจักไม่มีฮิริโอตปะแต่เราขอให้เรานี่มีฮิริโอตปะยังก็อย่างที่ว่าถ้าเขาไม่มีฮิริโอตปะเราต้องไม่มีด้วยไหมถ้าเขาเลวเราต้องเลวด้วยไหมถ้าเขาบาปเราต้องบาปด้วยไหมถ้าเขาชั่วเราต้องชั่วด้วยไหมเพราะฉะนั้น ไม่ต้องบอกอคนนั้นเขากระทำคนนี้เขากระทำคนนั้นเขาก็เลวคนนี้เขากรเลวแล้วเราต้องเลวด้วยไหมนะถ้าเขาไม่สบายเราต้องป่วยด้วยไหมเนี่ยนะก็ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นชนเราอื่นเขาเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเธอแต่เราทั้งหลายจักมีหิริและโอตตะปะเราทั้งหลายจะละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปหรือพูดอีกสำนวนหนึ่งเขาบอกว่าเราทั้งหลายจะเกรงใจตัวเองเราจะขอเกรงใจพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะขอเกรงใจตัวเองบ้าง คนที่ไม่มีหิริเนี่ยคือคนที่ไม่รู้จะเกรงใจตัวเองเลยนะเพื่อนชวนไปดื่มน้ำเมาก็กไปไม่เกรงใจตัวเองเลยเนี่ยนะเพื่อนชวนไปทําชั่วตกนะไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในการมก็บอกไปเกรงใจเพื่อนแต่ไม่เกรงใจตัวเองไม่อยากทาหรอกไม่อยากนี่หรอกก็ก็เลยทําไปอันนี้เรียกว่าไม่มีหิริไม่เกรงใจตัวเองหรือบางทีเนี่ยนะไปเกรงใจคนที่ไม่ควรเกรงใจไปเกรงใจคนพาลอย่างเงี้ยนะไปเกรงใจทำใํำไมคนพาล ถ้าเกรงใจพระพุทธเจ้าได้ดิบได้ดีมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะถ้าเกรงใจตัวเองบ้างว่าทําไมเราต้องทําบาปทํากรรมให้ตัวเองเดือดร้อนเกรงใจพระพุทธเจ้าว่าทําไมเนี่ยนะเราเนี่ยก็ฟังคําสอนของพระองค์แล้วทาไมจะต้องไปทําชั่วเช่นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นสมาถานที่จะเกรงใจตัวเองและเกรงใจพระพุทธเจ้าบุคคลที่ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าคนขัดเกลากิเลสขัดเกลาบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายวันฮิริเนี่ยถือเอาตัวเองเป็นหลักแล้วถือเอาตัวเองเนี่เอาตัวไหน ตัวที่บริบูรณ์ด้วยสุตะถือเอาตัวเองเนี่ยเกรงใจศรัทธาตัวเองบ้างไหมเนี่ยที่ทำอย่างเงี้ยเอาเกรงใจศีลตัวเองบ้างไหมที่เราจะทําอย่างเงี้ยเกรงใจหริีลตตปะัวเองบ้างไหมเกรงใจสุตะเกรงใจจาระะเกรงใจปัญญาเกรงใจทานศีลภาวนาของตัวเองบ้างไหมถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยศีลสมาธิปัญญาสมถาวิปัสนาจะเจริญบ้างไหมถ้าสอบถามอย่างนี้บ่อยๆก็เรียกว่าเกรงใจตัวเอง เอ้เนี่ยมันทำลายประโยชน์ของเราโดยประการทั้งปวงส่วนเกรงใจบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้เนี่ยเราเกรงใจพระพุทธเจ้าบ้างไหมพระองค์สร้างบารมีมาเนี่ยนะแล้วเราทำอย่างนี้เหมาะสมไหมเป็นต้นก็เกรงใจพระพุทธเจ้าบ้างเกรงใจพ่อแม่บ้างเนี่ยนะอย่างเกรงใจพ่อแม่บ้างเกรงใจแก่ผู้ที่ทรงคุณธรรมทั้งหลายเกรงใจผีสางเทวดาเป็นต้นบ้างเป็นต้นพวกนี้ก็จะทำให้เกิดเฮริเกิดโอตตะปะมันหฮริโอตตะปะนั้น เป็นคุณธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาเนี่ยนะคนที่มีฮิริโอตปะเนะี่ยถามว่าใจของเขาจะเศร้าหมองไหมใจของเขาจะเกลือกกลั้วอยู่กับบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายไหมบอกไม่คนที่มีฮิริโอตปะนั้นถือว่าเป็นคนที่มีความสุขมากเป็นคนที่สะอาดเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่เกลือกกลั้วอยู่กับบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายฮิริโอตปาเนี่ยนะสําคัญมากถึงขนาดว่า พระพุทธเจ้าบวชให้พระมหากัสปะพระองค์ก็บวช ด, ด้วยยกหิริโอตปะให้พระมหากัสปะนี้มีฮิริโอตปะเป็นคําบวชเช่นะฮิริโอตปะไม่ใช่ธรรมดาเรียกว่าโอวาทูประสัมปทาเพราะฉะนั้นใครที่จะบวชโดยโอวาทจะต้องกระทําให้มีฮิริโ อ, โอตปะในใจอย่างพระองค์บวชให้พระมหากัสปะบวชให้โดยตั้งโอวาทไว้สามข้อข้อหนึ่งเพระเาะนะอย่างเช่นบอกว่าข้อแรกเลยก็เพราะเหตุนั้นแหล กสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ศึกษาไว้ว่าเราจะเข้าไปตั้งฮิริโอตต ป, ปะอย่างแรงกล้าในพระเถระในพระนวกะในพระมัชชิมะทั้งหลายไปตั้งความเกรงใจไปตั้งความเคารพเนี่ยนะฮิริก็ออกตฮิริเนี่ยแปลว่าละหายใจตัวเองที่จะไปเปื้อนบาปกับพระใหม่ๆพระกานกลางรู้ว่าพระที่บวชมานานแล้วก็ตัวเองเนี่ยเกรงใจพระทั้งหลายที่ท่านเข้ามาบวชใน พระพุทธศาสนาเข้าไปตั้งเกรงใจตัวเองในเพื่อนพรหมจรรันทร์เข้าไปตั้งความเกรงใจในผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบถ้าทำอย่างนี้ได้อันนี้เป็นโอวาทข้อที่หนึ่งที่ที่เธอจะบวชโอวาทข้อที่สองถ้ามีผู้ใดกล่าวธรรมที่ประกอบด้วยกุศลกล่าวธรรมของพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างถูกต้องให้ประมวลใจทั้งหมดเนี่ยโสดลงฟังธรรมอ น, นั้นนะประมวลใจด้วยทั้งหมดไม่ทำให้ใจเนี่ยพลาน ไม่ใจให้พราไม่ทำให้ใจแบบโอ้ยมัว่วคิดเรื่องสเปะสปะไปเรื่อยเปื่อยบอกไม่ประมวลใจรวบรวมใจทั้งหมดเงี่ยโสดลงฟังธรรมข้อที่สามเนี่ยนะข้อที่สข้อที่สมคือเราจะไม่ละกายคตาสติเนี่ยนะจะไม่ละกายคตาสติเนี่ยนะเาเรียกว่าจะเจริญกายคตาสติเนืองนิดต่อไปโอว่าสามข้อเนี่ยนะ ข, ข้อแรกก็คือฮิริโอตปะฮิริโอตปะเนี่ย เป็นคุณธรรมที่จะทําให้นักบวชเนี่ยประสบความสําเร็จนักบวชที่มีหิริโอตปะนักบวชเหล่านั้นจะมีสมณะสัญญาความสําคัญหมายว่าเราคือสมณะความสําคัญหมายว่าเราคือผู้สงบระงับความสําคัญหมายว่าเรานี้เป็นนักบวชนะ น, น, นะเขาบอกว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากเครือขัสธ์แล้วเนี่ยนะอาการกิริยาเหล่าใดเหล่าใดที่เรายังต้องทําให้ดีกว่านี้ยังมีอีกไม่ใช่เพียงแต่เท่านี้เนี่ยนะ ตัวเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ผู้รู้พิจารณาใคร่ครวนแล้วติเตียนตัวเราเองโดยศีลเป็นต้นได้หรือไม่คนที่คิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยจะทำให้มีฮิริโอตปะเนี่ยบริบูรณ์มันหิริโอตะปะนั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมที่ทำให้เป็นสมณะเป็นคุณธรรมที่ผู้ปฏิบัติสมาทานแล้วจักได้เป็นสมณะไม่ใช่เป็นแต่ชื่อไม่ใช่เป็นแต่ปฏิยา ว่าคนอื่นเ็าถามว่าคุณเป็นใครบอกเป็นสมณะเนี่ยนะหรือเขารู้จักเพียงแต่สมณะเพราะมีคุณธรรมที่สร้างความเป็นสมณะคือฮิริโอตปะในมหาอสศปุรสูตนั้นยกฮิริโอตปะนั้นขึ้นมาเป็นอันดับแรกในคุณธรรมที่จะสร้างความเป็นสมณะก็เพราะเหตุว่าฮิริโอตปะนั้นเป็นเป็นอะไรเป็นเหตุไกลให้เกิดศีล ศีลเนี่ยนะคนที่จะมีศีลเนี่ยศีลคืออะไรศีลคือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลศีลเนี่ยอุปทานะรองรับคุณธรรมทั้งหลายศีลเนี่ยเป็นสมาทานะตั้งมั่นไม่กระจัดกระจายเกลื่อนกลนแปดเปื้อนไปด้วยบาปอกุศลธรรมทั้งหลายศีลนั้นกําจัดความชั่วทางกายวาจาแลจ่ายศีลมีมีความสะอาดทางกายวาจาและใจเป็นอาการปรากฏศีลมีหิริโอตปาเป็นเหตุใกล้พาะคนที่จะมี หีริโอต ป, ปะเนี่ยนะนั่นแหละที่จะมีศีลถ้าถามว่าเรามีศีลหรือไม่มีศีลมาปานาติปาตาว่าแต่ปากเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีศีลเสมอไปต้องดูว่าพื้นฐานฮีริโอต ป, ปะเนี่ยแรงกล้าขนาดไหนฮีริโอต ป, ปะเป็นเหตุใกล้ที่สำคัญที่จะทำให้เกิดศีลถ้าฮีริโอต ป, ปะตัดขาดศีลก็ชื่อว่าเป็นอันตัดขาดเนี่ยนะเพราะว่าปัจจัยที่สำคัญจริงๆของฮีริของ ศีลก็คือฮีริโอตา ป, ปะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีฮีริโอตา ป, ปะจะรักษาศีลเอาไว้เป็นอย่างดีเพรปะถ้าเราไม่เราชวนคนไม่มีหีริโอตา ป, ปะสมาทานศีลนะเชื่อเถอะไม่นานเดี๋ยวสมาทานไม่รอดหรอกเนี่ยนะถึงจะสมาทานขนาดไหนก็ไม่รอดเพราะเขาไม่มีฮีริโอตา ป, ปะเขาไม่เกรงใจตัวเองเลยแล้วก็ไม่เกรงใจกับผู้ที่เขา ควรเคารพควรย่ำเกรงวันฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีลมันคนที่จะเจริญงอกงามในพระศาสนานี้เนี่ยนะวินิจชัยไขครัวหรือว่าพื้นฐานก็มีหิริโอตปะหรือไม่ถ้ามีหิริโอตปะนี้ชื่อว่าเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้มีศีลเพราะคนที่มีหิริโอตปะนี้ตรงกันข้ามกับคนมีมายาคนมีมายาเนี่ยนะก็เรียกว่าเปิดเผยตนไม่ตามเป็นจริง เปิดเผยตนไม่เป็นจริงเป็นคนที่ซ่อนเร้นแล้วก็ปกปิดเนี่ยนะซ่อนเร้นแล้วก็ปกปิดตัวเองไม่มีศรัทธาหรอกซ่อนว่าตัวนี้คือผู้ที่มีศรัทธาตัวเองไม่มีศีลแต่ซ่อนตัวปกปิดว่าตัวคือผู้มีศีลเป็นต้นนั่นเรียกว่าเป็นคนมีมายาผู้ที่มีมายาถึงจะสมาทานศีลศีลก็ไม่ยั่งยืนและมั่นคงอะไรแต่ผู้ที่มีหิริโอตปะเนี่ยนะศีลธรรมทั้งหลายของเขาจักมั่นคงและยั่งยืนทีนี้ ถ้าหากว่าเขาล่วงละเมิดไปถ้าเกิดผิดพลาดพลั้งไปละ่ะผู้ที่มีฮิริโอตะ ป, ปะจักรีบทําคืนมันคนที่มีฮิริโอตปปะปาก็เรียกว่าลัดชีบุคคลคนที่รู้จักรายแต่ถ้าพวกไม่มีฮิริโอตปปะปาก็เรียกว่าพวกอลัลชีบุคคลผู้ที่ไม่ละอายต่อความชั่วไม่เกรงกลัวต่อบาปผู้ที่ไม่กละอายต่อความชั่วไม่เกรงกลัวต่อบาปบุคคลเหล่านี้เรียกว่าคนผ่านห่างได้หา่างเนี่ยนะ อย่าครบเลยอย่าเข้าไปใกล้เลยเดี๋ยวติดเชื้อเนี่ยนะเขาบอกว่าคนชั่วคนเดียวทำคนดีๆเป็นร้อยให้เสื่อมสลายได้แต่คนดีเป็นร้อยไม่แน่ใจว่าจะช่วยคนชั่วคนเดียวให้ดีขึ้นได้ไม่แน่เนี่ยนะถามว่าทำไมเพราะคนชั่วหนึ่งคนสามารถสร้างความร้าวรานให้อย่างโอ้ยไม่ขีดการเดียวมันก็เผาบ้านเผาเมืองได้แล้วเนี่ยนะชั้นใดคนชั่วเพียงแม้แต่เพียงคนเดียวก็ทาลายประชมชนคนไม่ใช่น้อย